โอวาทข้อที่สความถ่อมตนคำภีอี้จริงได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดยกตนข่มท่านอวดวิเศษกว่าผู้อื่นย่อมต้องประสบความเสียหายผู้ใดอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่จองห้องลมพองตนย่อมต้องประสบความสุขความเจริญแม้แต่เป็นดินก็หนีกฎนี้ไม่พ้นดูแต่ขุนเขาที่สูงตรงานยืนทะมินเยย้าทาดินก็ยังต้องพังทลายอยู่หนึ่งๆส่วนแอ่งน้ำที่ต่ำต้อยนั้นกลับมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลาแม้แต่พิศษ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 ชอบช่วยเหลือเพื่อนคุ ณ, ณธรรมสามประการนี้สมแล้วที่จะขนานนามว่ากัรยาณมิตรเขามักจะติเตียนใครจือต่อหน้าใครจือไม่เคยโกรธหรือโต้ตอบเขาเลยรับฟังอย่างอารมณ์ดีเสมอพอจึงบอกเขาว่านิสัยอันดีงามของเขานี้ย่อมเป็นปัจจัยนำเขาไปสู่ความมีบุญวาสนา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 ฉายแสงอยู่ทั่วบรรยากาศที่เรารอบตัวเขาทําให้พ่อได้สัมผัสกับประกายนี้ด้วยความชื่นชมพ่อกลับจะเข้าเฝ้าได้เล่าให้เพื่อนๆฟังว่าหากฟ้าจะประทานความจเจริญรุ่งเรืองแก่ใครมักจะประทานสติปัญญาให้ก่อนเมื่อมีสติปัญญาแล้วคนที่เจ้าอารมณ์ก็จะเปลี่ยนเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้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 แต่กลับโทษกรรมการคุมสอบหาว่าไม่ยุติธรรมมีตาก็ห า, า, ามีแววไม่บทประพันธ์ดีๆก็หาว่าไม่ดีหลวงจีนในวัดท่านหนึ่งได้ยินเข้าจึงยืนยิ้มอยู่เขาก็เลยพาดโกรธท่านหลวงจีนไปด้วยหลวงจีนจึงกล่าวกับเขาว่าดูดูแล้วเห็นทีบทประพันธ์ของท่านไม่ดีจริงเขายิ่งโกรธใหญ่แต่ว่าหลวงจีนว่า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 หลวงจีนจึงสอนว่าการสอบไล่ได้หรือไม่ล้วนขึ้นอยู่กับชะตาชีวิตแต่ชะตาไม่ดีแม้จะเขียนบทประพันธ์ได้ดีอย่างไรก็สอบไม่ได้จึงต้องแก้ไขที่ตนเองซะก่อนนักศึกษาจางกราบถามท่านว่าหากขึ้นอยู่กับชะตาชีวิตแล้วจะแก้ไขได้หรือหลวงจีนพูดว่าฟ้าประทานชีวิตให้เรา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 ท่านชี้แจงว่าการทำความดีต้องเริ่มที่ใจมุ่งแก้ไขตนเองซะก่อนเช่นการอ่อนน้อมถ่อมตนก็ไม่ต้องใช้เงินเลยทำไมท่านไม่ตาหนิตนเองว่าความรู้ยังไม่เพียงพอจึงสอบตกแต่กลับไปด่ากรรมการคุมสอบละ่ะนักศึกษาจางเพิ่งได้คิดจึงเริ่มปฏิบัติตนสมัย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 เมื่อดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วย่อมจะเห็นได้ว่าสูงจากศีรษะมนุษย์ขึ้นไปเพียงสามฟุตก็มีเทพเจ้าคอยเฝ้าดูอยู่แล้วเราจะต้องทำแต่สิ่งที่เป็นมงคลเลีกเลี่ยงการกระทาอันเป็นอปมงคลเสะจะดีจะชั่วจึงอยู่ที่ตัวเราเองถ้าควบคุมจิตใจและความประพฤติของเราให้ดี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 พวกนักศึกษามักบนบวงเทพยาดาวฟ้าดินขอให้สอบไล่ได้แต่พวกนี้ไม่คยมีความจริงใจการบนบวงจึงไม่ได้ผลนักปราดทันเมงเจยพูดกับพระเจ้าฉีเวียนอวงว่าพระองค์โปรดดนตรีถ้าโปรดด้วยความจริงใจแล้วใสชะตาของประเทศฉีก็จะครุ่งเรืองสุขสายเป็นแน่แต่นี่พระองค์โปรดดนตรี ประความสุขของพระองค์เองหากพระองค์สามารถขยายความสุขส่วนตัวนี้ให้แผ่ไปสารไปในดวงใจของรัศดรทุกคนแล้วใส่รัษดรก็จะมีความสุขเหมือนดั่งพระองค์และทุกคนก็จะจงรักพักดีต่อพระองค์อย่างสุดหัวใจเหมือนนั้นจะตาของบ้านเมืองฉีจะไม่รุ่งเรืองสุขใสยอย่างได